ร้อยพระคุณเจ้ารวมทั้งบุคคลรวมทั้งเลขชีรวมทั้งอุบาสกอุบาิกาที่มารักษาศีลมาประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบเจ้าชายอย่งนี้กิดคาดว่า ไั้งหนต้องมีความตังต้งจิตตั้งใจที่จะประกบเพ่งเพยงียรกุศลให้เกิดขึ้น การฝึกสมาธิของนักปฏิบัติทั้งหลายระดับต้นๆม็ น, นจะต้องมีสติสติกก็คือความรู้ตัวในขณะนี้ท่านทั้งหลายต้องมีสติรู้ตัวว่า มีความรู้ตัวว่าอยู่ในองค์ภาวนาในขณะนี้ไอ้ใจเข้าพูธพูดแปลว่าผู้รู้ตอนนี้เราก็รู้ตัวแล้วว่าเรากําลังทําอะไรอยู่โตแปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกไปคนที่มีสติรู้ตัวได้รับรู้ใน เข้าไปในความรู้สึกก็คือใจใจเรานั้นมีแต่ความขุ่นมัวมีแต่ความฟามุ้งซ่านมีความแต่รังเลสงสัยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะมานัจิตถือตัวถือตนดึงผูกพยาบาทอาฆาตก็คือความ คือโทสะนั่นเอดจิดยึงแข็งก็ได้เพราะว่าเราขาดสติคือความรู้ตัวว่าโกรธแล้วก็ไม่ได้อะไรียดชังก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราได้นั้น ถึก็แกล่งสันเพราะความโกรความเกียดความจังเมื่อสภาวะมันผูกมัดมันถูกกดขี่กดดันในขณะนั้นสภาวะของร่างกายก็หลังสานที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมันก็หลังสานที่ไม่ดีออกมาประกนขี้โกรธขี้จังเนี่ย อยากี เนื้อหัวใจเนี่เหมือนจะแท้งแรงแล้วก็บีบมีความกดดันสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยก็เริ่มระคายเคืองเหมือนกับเราระคายเคืองคอเมื่อการหัวใจเนี่ยมีการ นี่เป็นการสอนให้รู้ว่าการโกรธเนี่ยมันเป็นโทษอย่างมากในอันดับตน้ตนๆของกายหยาเราอาจจะไม่เคยได้ฟังมาก่อน ไม่หมดในตัวตนของตัวเองปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสังขารคนที่มีสติแอก้าคนที่มีปัญญาอันบริสุทธิ์กุล เล็บเท้าก็หมายถึงว่าเดินไปตรงไหนเน่ยก็จะมีสติรู้ตัวว่าไปเพื่ออะไรไปแล้วได้ประโยชน์หรือว่าเกิดโทษในการเดินทางในคันนี้คนที่มีสติรู้ตัวและมีปัญญาวควบคุมเนี่ยสติปัญญาจะมันเป็นของคูบกันสำหรับนักปฏิบัติทางหลาย นักปฏิบัติทั้งหลายนั้นอาจไม่เข้าใจกายกรรมของตัวเองถ้ามันจะโทษว่าคงจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เยอะเพชหมอตูหมอเาาก็บอกว่าคงมีกรรมกับงูบ้างกับวัวกับไก่บ้างมีกรรมกับสัตว์ต่างๆ พอเขาพูดในเราเชื่อนะติดรู้สึกสั่นกลัวรู้สึกว่ามันเป็นความจริงแต่ความจริงแล้วเราต้องรู้ตัวเราเองกันปฏิบัติทั้งหลายความโกรธเนี่ยมันทำให้หัวใจเตึงติดประกตบ เมื่อเราปรุงอาหารเราปรุงอาหารทางตายกับปรุงอาหารทางหม้อทางลงครัวเนี่ยครัวนี้ก็มีหลายลนะยันแกลโคเนี่ยต้องมีสูตต่างๆเปรี้ยวหวานมัน เลือ นี่คือความปรดแม้ทางกายอิดปกติแล้วมันก็เป็นแผลทางใจ บิดกว่าก็เป็นต้องโกรสมหวังก็แหมรู้สึกยินแย้แ จ, จ่มใสหัวเราะเบิดบานใจว่า ม, ม, มันมีความรักมันก็มีความชัง้งเกิดขึ้นมันเป็นโลกธรรมแปดอย่างความโกรธมันมีโทษต่ตอร่างกายอย่างมหาในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคต เมื่อโกรธอะไรมากๆเนี่ย ไม่เคยได้ยินคำว่าสันหลังไอคนนี้มันขี้เกียจสันหลังยาวเห็นไหมมันก็เหมือนกับคนโกดเช่นเดียวกันคนโกดเนี่ยมันก็เหมือนกับมันตั้งมันแข็งมากหลังเราเนี่ยลองรับทุกอย่างเพราะฉะนั้น เมื่อมีความโลภเป็นสันดานใช่ไหมตอนหลังก็กดเป็นอาจิษน นีจิตได้จานึกที่มีกี่เลสทำอะไรก็หลังผมมีเมตตาให้อะไรเนี่ยก็หวังว่าจะได้คือเหมือนเราให้สิ่งของอะไรใครสักอย่างมนเมเด็เราก็หวังว่าคนนี้จะต้องดีกับเราเกิดเขาไม่ไดีรู้สึกผิดหวังใช่ไหมพอผิดหวังมันก็เกิด ปาาาาระบยตน์ทางาแสดงว่าความรักกับความชังนันเป็นของคู่กันแสดงว่าความโรบกับความโกรธนก็เป็นของคู่กันถ้าเรามีสติรู้ตัวเหมือนใน ว่าจะเป็นมงคลก็คือมนของพระพุทธเจ้าปกติเราพูดคุยกันอย่างทั้งวีทั้งวันเนี่ยเป็นปากเป็นตาสับ ป, ปะรดเลยลืมเรื่องรู้ไปหมดสงสัยไปหมดลังเลไปหมดปุยจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรกันนี่ เลยบอกเพ้อเจ้อนั่นเองการเพ้อเจ้อก็คือมันก็เกิดมาจากความโรคความโกรธความหลงนั่นเองก็คือกิเลสถ้าเรามีสติแต่ไม่มีปัญญามีสติแต่ไม่มีปัญญาเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายมักจะวนอยู่ใน รวมทั้งหลพ่อเนี่ก็เคยโกรธเยอะแยะโกรธทุกเรื่องเมื่อโกรเสรก็ฉันเกียรติไประมบ่ายการข่าบาทีมึงก็ลงไม้ลงนื้อความรักบางทีมอนกรักจนทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้ส่งปัจนัน มันปรุงแต่งทุกลบทุกชาติมีทิตฐิมาณนะถือตัวถอตอนตนคัดเขาวุ่นวายไปหมดเรียกว่าฟุ้งซ้านนะความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยนี่แหละเป็นบ่อเหตุแห่งความจิตหายก็คือความขาดสตินนะั่นเอง ที่มาปั่งทำทำก็คือการกระทําหรือธรรมชาติกันเนี่เรียกว่าสัจธรรมสัจจะก็คือคําพูดของหูวงพ่อในขณะนี้เน่ยก็คือความจริงสัจจะก็คือความจริงความจริงมันก็เกิดจากธรรมก็คือธรรมชาติกันเนี่ยทไมเรารู้จักเรียนรู้ธรรมชาติ แต่เราไม่มีสติหลวที่จะเน้นสติสติ ค, คือความรู้ตัวรู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เราเศร้าหมองใจเนี่ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่มีความสุขเกิดทุกข์เกิดโลกเกิดไทยเนี่ยเพราะความโกรธนั่นเองความโกรธเนี่ยกินยาเลยก็ไม่หาย พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความโกรธก็ต้องเอาตัวเมตตามาตัดเมตตาก็คือความสงสารอกับตัวรักเเอาตัวสงสารก่อนเมตตาแปลว่าความรักแต่เอาตัวสงสารเข้ามา พยาามผลิตสิ่งที่ช่วยอย่างก็คือความโกรธเมื่อความโกรธเนี่ยเราแสวงหามันอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราเนี่ยก็จะซุดโทม่แก่ไว้ชราวไวมันเหมือนกับคนที่อารมณ์ดีมีความรักมีเมตตาก็คือคนที่มีจิตใจที่ดีเรียกว่าอารมณ์ดี กระดูกก็ผุนะบันก็ผุตาก็มัวหมองหูก็ไม่ค่อยได้ยินจมูกก็ไม่ค่อยได้รับกลิ่นปากคอนี่็กินอะไรไม่ค่อยได้คนนี้โกบนี่มันจะบิ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 ปวดมันก็ไม่ปวดเมื่อยมันก็ไม่เมือมมม่อยอิ้มมันก็ไม่หิ่มจะเกลียดใครก็ไม่รู้จะเกลียดตอนไหนตอนนี้นึกไม่กเพราะเรามีสติรู้ตัวเมื่อเรารู้ตัวเนี่ยจิตให้ทำเลืกที่ดีเนี่ยมันมากกว่าโกะเราก็รู้สึกว่ามันสบายใจพอเราสบายใจทุกบเดือยไอ้กายเนี่ยกายกยากรรมที่มันนั่งน้ออยู่เนี่ย มันประกอบด้วยดินน้ำลงไปเนี่ยมันเกิดแปรปรวนเลยมันเคยหัวใจเคยเต้นตามสภาพของหูตาจมูกลิ้นกายใจในวันนี้มอนทั้งห้าที่มันสัมผัสรู้เห็ น, นได้ยินเนี่ยใจเราก็จะเต้นเป็นจังหวะที่เคยชินเนยทานคำว่าชิน สภาวะของกิเลสกิเลสก็คือความโรคความโกรธความหลงไอ้ร่างกายเราไม่ชินต่อสติสติคือความรู้ตัวเหมือนในขณะนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกคั น, นบ้างเมื่อยบ้างหนักบ้างเหมือนนั่งแล้วเหมือนจะหายท้องจะลอยบ้างแอ็นบ้างเอียงบ้า ง, ง, างเดี๋ยวร้อนหมูวายเดี๋ยขนลุกขนพอง แสดงว่าเลือดลมเราเนี่ยในร่างกายเนี่ยมันเคยแปรเปล้วยนมันไม่เคยมีสติรู้ตัวเหมือนในขณะนี้ที่หลวงพ่อกลังพูดให้ฟังอยู่เพราะเราเป็นคนที่ไม่รู้มาก่อนว่าจะรู้สิมันเกิดความลังเละเห็นไเม่อก่อนที่เราจะรู้เรื่องอะไรมาเนี่ยจะสงสัยวามันจะเป็นยังไง มันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือไปแต่ในขณะที่เรารู้ในปัจจุบันนี่ก็คือรู้ด้วยสติสติคือความรู้ตัวว่าโอน้องนิ่งเป็นหลักไอหยัดเป็นแดดคอนิ่งปุ๊บเราเหมือนจะหลักเลยไอ้จิตที่มันเคยุผงซานอยู่เนี่ยร่างกายเราจิตเราเราเคยใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบัน พอนิ่งปุ๊บไม่คิดไม่ฟงซ่านปุ๊บง่วงเลยเป็นอาการที่เราเคยทิดตุ้นยุบเป็นอาการที่เราคอยยุบยึดเกาบ่นเก า, น, เกานี่กะยับนั่นกระยับนี่พอจิตเราบริสุทธิ์พอจิตเราเนี่ยไม่ฟงซ่านก้ามเนื้อมันตายหมดเลยเห็นม กล้ามือหัวใจที่มันเคยเต้นไวบ้บ้างถีบ้างเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหัวนหลอ่อเดี๋ยวล่องหายกล้ามเนื้อมันผ่อนคลายหมดเล้ามเนื้อหัวใจมันเต้นถูกกําหนดให้เท่ากันก็นคือลมหายใจเข้าพุทออกเหมือนหัวใจเราเนี่ยผ่อนคลายพอหัวใจเราผ่อนคลาย สบายปุ๊บเราจะเพลอหลักเดือดขาดสตินะก็เราชินต่อนิ่งแล้วหลับเลย ไม่สัมผัสกับอะไรเลยเรารู้สึกนิ่งอู บ, บัยขาบาลามิเฉยแต่เรามีสติรู้ตัวว่าเรากำลังภาวนาอยู่เมื่อจิตได้ํำนึกเราในผ่อนคขายวันใจต้องเต้นสม่ำเสมอร่างกายเราไม่เคยสงบไม่เคยเต้นที่เป็นจังหวะรู้ตัวมาก่อนในขณะนี้ รู้สึกเบาสบายทางใจนะทางจิตในกำลนึกเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ลังเลสงสัยมันไม่มีความโกรธไม่มีความโรคไม่มีความหลงว่าเหล่านั้นจะหลงอยู่สิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างผัวเมียรถกล้าแก้วแว่นเงินทองไม่มีในจิตในกำลังนึกในสัญญาเราเลยในขณะนี้ แต่รู้สึกผ่อนคลายเหมือนเราคลายกล้ามเนื้อคลายทุกส่วนสัตว์ในร่างกายเรียกว่าคลายความร้อนออกไปความร้อนตัวนี้ก็คือความเร่าร้อนในจิตใจจำเนืกก้อกือใจเมื่อใจความเร่าร้อนเขาเรียกว่าร้อนใจนั่นเองใจกับเย็นสบายในขณะนี้ แต่ไอ้ร่างกายมันรู้สึกบุกบูกวิ้วเวิ้วนะ า, า, าววโงๆงเราอย่าไปสนใจมันพยายามนึกถึงจิตใต้สำนึกก็คือสตินั่นเองยิ้เข้าไ้หายใจเข้าพุกงหายใจออกถอนยิ้มแงกับตัวจิตเมื่อร่างกายเราผ่อนคล า, ายพบสติมาเลย ติดก็คือความรู้ตัวก็รู้อาการที่เป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมันผ่อนคลายความบังโกิดลงไปแล้ในขณะที่เราผ่อนคลายความโกดเนี่ยอาการขัดสีเบียดเสียดของจิตใต้สำนึกที่กดดันตัวเองรวมทั้งกระดูกกระล้างเนื้อที่เรา รู้สึกมันผ่อนคลายออกไปก็คือความฟาุ้งซ่านความลังเลสงสัยนั่นเองพยายามฟังหลวงพ่อแล้วก็ น, นึกถึงตัวเองว่าโอ๋น้อกระดูกก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเอ็นทั้งหลายหัวใจที่เคยเต้นปิดจังหวะเต้นเบาบ้างสั่นบ้างยาวบ้างแต่ในปัจจุบันเนี่ยพอเรารู้สึกเต้นถูกจังหวะเข้า แม่ชีบางอ ก, ก็เริ่มห้อยลงพนะระ บ, บางรูปมก็รู้สึกนั่งแล้วดูเหมือนไม่สนักแต่จริงๆมันสนัดแต่ว่าไอ้ส่วนสัตว์ของร่างกายที่มันเคยสุขสนที่มันเคยอิทนึกแล้วก็เต้น เซล์กล้ามเนื้อกระแสไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยที่มันทำงานหนักมันมากแต่ตอนนี้มันผ่อนคลายแต่ทำตัวตองเอาไว้ตัวยิ้มนี่ก็คือตัวเมตตาตัดตัดความเล่าล่อตัดความโกร เ, เมื่อเรายิ้มเนี่ยจิตใจเราก็ที่เคยกระทา เราร้อนใจเนี่ยใจเรารู้สึกเย็นเหมือนในขนาดนี้เหมือนร่างกายเรารู้สึกว่าชาตายมือไปเท้ามือเหมือนกับเหนืยดซึมซึมตัวก็เหมือนกับเหนียดซึมซึมออก ที่เราไม่รู้ตัวรู้ตนว่าเราเป็นคนหรือสัตว์กันแน่เราเป็นคนดีหรือคนบ้ากันแน่วันนี้เรามองฝึกสติตสติคือความรู้เราจะได้รู้ตัวลูกตนนะเมื่อความร้อนในระหว่างกล้ามเนื้อเตีวกว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยก้ามเนื้อที่มันเก่งแข็งแน่นมันเลิกผ่อนคลายออกมา มันแทรกเข้าไปในก้างเลอเห็นว่ามีหลักวิทยาศาสตร์เขามาเต็มน้อยเลยและเชื่อได้ด้วยร่าง ก, กายเรามีออกซิกเจนผ่านกระแสเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงกางเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกาย ที่เป็นกล้ามเนื้อเลือดลงที่มันเดินอยู่ในร่างกายเนี่ยมันไม่ชุ่มฉ่ำผิวผ่านมันก็ไม่ชุ่มฉ่ำบางที่เหมือนกับในโลกเนี้ยมันขาดน้ำบางที่ก็มีน้ำบางที่มันก็ชื้นบางที่มันก็แห้งแรลแต่ในขนาดนี้เนี่ยผลมันกำลัง อยู่ในร่างกายเราตึกตกอยู่ในใจเรียกว่าไม่ตกใจแต่ผลผลมันตกธรรมชาติมันเกิดสมบูรณ์เรียกว่าสติมันสมบูรณ์นี่พอสติมันสมบูรณ์ในร่างกายเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติทำมันก็เกิดขึ้นเพราะเราฉลาดขึ้นเริ่มรู้จักที่หลวงพ่ออธิบายอยู่มากขึ้น พอเรารู้ปุ๊กกำลังใจเรามาเลยเรารู้สึกเลยว่าอืมจริงเนาะร่างกายเราปกติแล้วมันตึงเมื่อยปวดไปหมดแต่ในขณะนี้เราสบายใจมากเดี๋ยวพอถอนสมาธิร่างกายจะเป่งปัง น, นิ่มผิวพรรณจะลื่นนุ่มสบายเหมือนเด็กๆ เ, เนี่ยผิวมันอ่อนนุ่ม เนื้อละเอียดจับลื้นเย็นหน้าอุ้มหน้ากอดหน้าหอมเราลองหอมตัวละเอียด เ, เหม็นตายหายเลยเพราะว่าออกซิเจนมันธรรมาชาติมันผิดปกติคือร่างกายผิดปกติคำว่าร่างกายผิดปกติก็คือจิตใต้สํานึกเราเนี่ยมันผิดปกติมันไม่ใช่มนุษย์สมบัติ มันเป็นการฟงแต่งโดยเป็นคนบ้าเป็นคนบ้ายิ้มเข้าไว้อยู่ในองค์ภาวนาเข้าไหมกำลังจะได้ถ่อมสมาธิแล้วพอดีหน่อยลวงพ่อกระชวยเลิก์พอเมื่อยปวดเวทนาทุกมากหลวงพ่อก็ะหน่ำเทแมนยิ้มเลเพราะนั้นจะฝืนเรียกว่าฝืนฝื้มความรู้สึก เหมือนเราก็ฝืนสติที่มันกำลังฟุ้งซ่านอยู่ฝืน้ากายแต่ในขณะนี้เรามาฝึกสติฝื้นความรู้สึกที่มันเคยชินตักลอนที่มันเคยชินด้วยความโลภความโกรธความหลงเนยให้มีความรู้ตัวมันในขนาดนี้เนี่ยเหมือนได้ขึ้นสว่างหนึ่งุกก็ไม่ทุกอดก็ไม่โกร อยากได้แล้เขาไม่นึกไม่ออกในขณะนี้ตั้ใจรู้สึกเลยว่าส บ, บายยิมเขาไวโกรดโกรดถึงที่สุดมันก็ไม่รู้ว่ามันตรงไหนเกลียดถึงที่สุดก็ยังไม่รู้มันก็นว่าเราเกลียดอะไรถึงที่สุดเกลียดตัวเองดีกว่าเกลียดตัวเองรักตัวเอง รักก็คือยิ้มเข้าไปมีเมตตาทางใจใครจะให้หรือไม่ให้ใครจะพูดด้วยหรือไม่พูดใครจะยิ้มหรือไม่ยิ้มใครจะทําอะไรเราก็ไม่สนใจปุ่มใบขาวางเฉยยิ้มจับไว้ที่ใจสารมณ์ยิ้มตลอดเวล า, ล า, าร่งรงางกายก็ผ่อนใส่ไปเรื่อยๆร่างกายก็ผ่อนคลายความร้อน ที่มันร้อนจิตร้อนใจเรียกว่าวัยในยมันเผา อ, อกเผานรกเนะลยก็เรียกว่าสวรรค์อยู่ที่ อ, อกนระกอยู่ที่ใจความเร่าร้อนของกิเลสความทุลมทุไลายพราะความอยากนั่นก็คือความโกรธนี่แหละความโรคนี่แหละความหลงเนี่ยยังไม่พูดถึงหลงก็หมายถึงว่าละเมิดเพืพบขาดสติ เมื่อเรามีสติมีปัญญาเนี่ยดับความโกรธไม่โกรธแลไม่เกลียดและไม่เคยรักเราก็รู้สึกว่ารักตัวเองขึ้นไม่เคยมองตัวเองเราก็รู้สึกมีสติรู้แล้วก็มองใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าความมุ่ดวมายความลังเลสงสัยเนี่ย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 แต่ถ้าเรามีสติรู้มันไม่เกิดเลยมันพอ ด, ดีกว่าเกิดนะเอาละค่อยๆหายใจให้เป็นปกติเซิฟๆเอาในนะ้อยนอย่าเอามากเดี๋ยวจะขันมากกว่านี้ราตีต่อไปก็จะค่อยๆพูดถึงความหลงนะค่อยๆถอนสมาธิอย่าไปยึดติดมาก แล้วค่อยๆอย่าไปคิดอดืด่นๆค่อยๆ